ไม่กินก็ไม่ต้องกินฉันเองก็ไม่ชอบง้อใครนักหรอกเหงืตายตายก็แล้วกันแกโอ๊ยแกจะตายอยู่แล้วเราแกล้งเธอเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่อยากสนใจนักหรอกคนอะไรก็ไม่รู้ปากดีแล้วเกินนี่ขนาดเจ็บปากตายอยู่แล้วนะมาทํำปากดีอีกนะดูนะจะไม่สนใจอะไรเลยจะเป็นจนตายก็ไม่สน แน่จริ ง, รงก็อยู่ให้ได้เหรอโอ้ยมันไสเลยเชีย ช, ยช<ะ>โอ้ยคนใจร้ายคนจะทําออกมาหิดนี่คุณว่าใครอ่ะก็ใครที่นั่งเชิดหนะ้าไม่ยอมหันมาทางนี้ทําไมฉันจะต้องหันไปมองคุณด้วยคุณวิเศษมาจากไหนไมิทราบคนจะตายอยู่แล้วจะเห็นใจอีกนะทําไมฉันจะต้องเห็นใจคุณด้วยฉันไม่ได้เป็นคนเอาคุณหนะักขึ้นมาบนดอยนี่ในเมื่อคุณเอง ก็คิดตั้งแต่แรกแล้วว่าพ่อฉันต้องการเอาคุณมาฆ่าและทำไมอะ่ะจะต้องมาทำดีกับคุณด้วยต่อยทำดีแทบตายในใจของคุณน่ะก็ยังหาว่าพวกเราแกล้งทำอยู่ร่งไปนั่นแหละเพราะฉะ น, นั้นต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันมีปัญญาก็คลานไปหาหมอแล้วกันรู้อย่างเงี้ยไม่ใช่แผลให้ไม่ใช่ตัวให้หรอกถอยเฮ้ยแกชตัวฉันเหรออ้าวแบบนี้แกเก็น<ม>ของฉันหมดแล้วสิ เห็นแล้วทํามาคิดว่าตัวเองพิเศษไงแกมันหลอกดูของสมหวนฉันนี่นะ <S <S คุณจะม้าเกินไปเลยนะก็เป็นจริงไม่เล่าถ้าไปทําดีแค่ตัวให้ฉันแต่ความจริงแล้วแกอยากแต่ต้องตัวฉันมากกว่าสิ <S <S นี่คุณคิดได้ไงอะ่ะขอถามหน่อยเหอะใช้สมองข้างไหนคิดกันเนี่ยฮะ <S 2> <S 2> ไม่ต้องเลยฉันรู้ลหลอกน้าสาฉอดอยอย่างแกประเข็ญกคนกรุงเทพซะก็เลยนี่พอที่เหอะอย่ามาดูถูกฉันนนะก็แกอยู่คนเดียวก็แล้วกัน เจ็บก็จะไม่ทำอะไรให้อีกแล้วรอให้เจ็บตายไปเลย เ, เดี๋ยวสิฉันยื่ข้าเรื่องของแกสิมีเกี่ยวกับฉันสักหน่อยอโธ่คนเจร้ายใจดำไม่สดสดคนยู่ข้าวก็ยอมให้ข้าให้น้ำกินคนแล้ใจชัดๆเลยฮ้โี่ ทีดาเอ้ยอะไรจะพ่อเอาข้าวให้มันกินเถอะทําไมต้องเป็นฉันด้วยละ่ะทําไมเป็นเองก็ต้องเป็นขานะ่ะจริงไหมพ่ออืมไม่เป็นไรเองไม่เต็มใจทําก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็อยากจะบอกเองว่าพระเจ้าสอนให้เราเป็นคนเอื้อเพื่อเผื่อแผ่กับคนตกทุกข์ใดายากยิ่งคนเจ็บอย่างนี้นะเราก็ต้องยิงช่วยเหลือช่วยชีวิตคนนะเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดนะลุงนาะยฉัน ใหญ่เขาตายนี่เจ้าพ่อแต่ว่าแค่ไม่ป้อนข้าวอ่ะมันคงไม่ทําให้เขาตายหรอกทําไมจะไม่ตายแล้วมันอาจจะไม่ได้กินข้าวทั้งวันแล้วก็ได้นะเออไหนๆก็ตัต้งใจจะช่วยชีวิตคนแล้วก็ควรจะช่วยให้ตลอดรอดฟังเองวะครับพูดถูกไหมคือว่าไม่เป็นไรในเมื่อเองไม่เต็มใจก็ไม่เป็นไร ไคดข้าวปอนมันเองก็ได้ะ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวจ้พ่ออะไรฮะฉันจัดการเองก็ได้จ้ะเออดีมากลูกข้าภูมิใจในตัวเองเหลือเกินเชื่อฟังข้าข้าชื่นใจเหลือเกิน <c oughs> แต่ว่าถ้าฉันคดข้าวแล้วเขาเรื่องมากฉันก็ไม่สนใจแล้วนะพ่อ